สมัยท่านพักอยู่วัดหนองผือสกลนครก็มีอุบาสิกาคนหนึ่งมาเล่าถวายท่านถึงเหตุการณ์ที่ตนรับประธานอาหารไม่ได้มาสองสัปดแล้วเพราะความปฏิกูลเบื่อหน่ายอาหารตลอดร่างกายทุกส่วนของตนและผู้อื่นทําให้เบื่อทั้งอาหารเบื่อทั้งร่างกายได้เบื่อทั้งชีวิตความเป็นอยู่ในอิริยาบถต่างๆนอนไม่หลับมองดูอาหารซึ่งเคยถือว่าเป็นเครื่องรอเลี้ยงร่างกายจิตใจมาแต่วันเกิด ก็กลายเป็นสิ่งปฏิกูลเหลือประมาณเกินกว่าจะฝืนรับได้หลวงคอมองดูร่างกายของตนและของผู้อื่นเห็นเต็มไปด้วยความปฏิกูลทั้งสิ้นเรากป่าชาพีดิบมาตั้งอยู่กับร่างกายทุกส่วนไม่มีเว้นส่วนใดว่าไม่เป็นปฏิกูลและป่าชาสเสลยนอกจากเบื่อหน่ายอาหารแล้วยังทําให้เบือ่อหน่ายตัวเองและเครื่องนุ่งผอมที่หลับนอนต่างๆเบื่อหน่ายความเป็นอยู่เบื่อหน่ายโลกทั้งมวล ไม่มีแม้สิ่งหนึ่งที่น่ารักชอบใจและชวนให้อยู่ในอิรยาบทต่างๆมักบ่นแต่น้ำลายเป็นประจำเพราะความปฏิกูลสัญญาคอยเตือนอยู่เสมอท่านอาจารย์ไดเมตตาอธิบายให้ฟังอย่างเผ็ดร้อนถึงใจเช่นกันจนอุบาสิกาคนนั้นยอมรับความสำคัญผิดต่างๆที่หลอกลวงตัวเองจนเลยขอบเขตความพอดีแห่งธรรมว่าเป็นความผิดโดยสิ้นเชิงนับแต่วันนั้น เวลาเธอมากราบเยี่ยมรับการอบรมท่านถามถึงเรื่องนั้นเธอก็กราบเรียนด้วยความเรื่อมใสและปฏิบัติตามท่านโดยสม่ำเสมอตลอดมาเรื่องทานองนั้นก็ได้หายไปไม่มาปรปากฏอีกเลยจึงเป็นเรื่องน่าคิดในวงปฏิบตัติที่มักมีสิ่งแปลกแฝงขึ้นมากับบางรายอยู่เสมอทั้งผิดและถูกถ้าไม่มีครูอาจารย์คอยแนะแนวทางให้ก็อาจเห็นผิดไปได้ทั้งที่ตนเข้าใจว่าถูก สติปัญญาจึงเป็นธรรมจาเป็นต่อการปฏิบัติในธรรมทุกอันไม่ควรให้ห่างไกลการปฏิบัติแบบสบายเกินไปไม่ละเอียดถี่ถ้วนในกิจที่ควรทำอาจได้รับความสลดสังเวชและสมเพสเวทนาจากผู้อื่นเพราะความรู้ง่ายเห็นง่ายและจ่ายเร็วของตนโดยขายการพิจารณาไตรตรองให้รอบคอบก่อนนําออกใช้ก็ได้การปฏิบัติได้ผลที่ได้รับแทนที่จะเด่นเลยกลับด้อยลงเพราะความไม่รอบคอบเข้าทาลาย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 หรือได้สมาธิสมาบัติอรหัตสมักรอรหัตผลย่อมขัดต่อจารีตประเพณีของผู้ปฏิบัติธรรมทำย่อมกลายเป็นโลกและยาปโปนยิ่งกว่าโลกเสีย อ, อีกแทนที่จะหน้าอนุโมทนาในกิริยาที่แสดงออกแต่กลับทําให้ผู้อื่นเอือมระอาไปตามๆกันเพื่อความราบรื่นดีงามของผู้ปฏิบัติมุ่งอัตมุ่งธรรมเป็นที่อบุญมั่นใจแก่ตนควรจะเป็นไปในทางสงบแม้จะสําเร็จจนถึงขั้นพระอรหัตผล ก็รู้โดยทางสันสติโกหรือปัจจตังเวทิตโภวินยูหิแห่งความบริสุทธิ์ใจไม่แสดงออกแบบโลกโลกอันเป็นความอยากหิวโหยย่ยอมเป็นการเทริดเกียรติทั้งแก่ตนและพระาศาสนาอย่างสุ ข, ขุมนุ่มนวลไม่แฝงไปกับความกระเทนน้ำรนฝังซึ่งสุดท้ายก็คือโลกเป็นเปอร์เซนต์ไม่มีธรรมของจริงตามคำกล่าวอ้างแม้กระพีติดแก่นที่เรียกว่าธรรมสมเพเทเวทนาท่านผู้บรรลุธรรมแล้ว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 ย่อมหยุดตามรอยโคในขณะที่พบตัวโคทันทีฉะนั้นเมื่อท่านอ่านมาพระโวหารป่ากรุณาให้อาภาัยผู้เขียนซึ่งเป็นป่าอามากมากด้วยที่เพอ้อไปไม่เข้าหลักเข้าเกณฑ์เพราะภายในตัวพระป่ามี้จะทำเพอ้อจนหน้าเปลี่ยนสีจัจนั่นค่อยมีธรรมที่น่าเพลินแฝงอยู่เลยกรุณาปฏิบัติด้วยตัวเองจนรู้ขึ้นกับตัวนั่นแหลจะเป็นที่แน่ใจและภาคภูมิยิ่งกว่าการอ่านการฟังจากผู้อื่น